อะไรนี้จะหมดเต็มถ้าเราบกร่องไม่บริบูรณ์ก็เป็นคนไม่เต็มเรียกว่าคนไม่เต็มบาทของไม่เต็มที่ของไม่เป็มภาชนะมันเป็นคนต้องปล่องของ้องปล่องมันแคเอาดีไม่ได้มันพอใช้ได้จะเอาดีไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นคนมีอะไรเต็มเต็มเพื่อทําอะไรทําด้วยความเต็มใจแต่คนเราเมื่อเป็นคนเต็มก็แล้ว จะเป็นในทางโลกก็ดีจะเป็นในทางธรรมก็ดีแล้วก็เรียกว่าจะทําอะไรมันก็สำเร็จทุกอย่างจริงป็ตั้งข้ามกับคนที่ไม่ก็อยากเต็มเต็งเต็มคนไม่เต็มคนเป็นเลนไม่จะเต็มเลนเป็นพระไม่เต็มพระเป็นผู้ต่อศาสนาศรไม่เต็มผู้ตศาสนาศอย่างนี้ทําอะไรมันก็ไม่สำเร็จนักปฏิบัติที่ทําอะไรไม่เกิดผลก็เป็นคนไม่เต็มเรียกว่าไม่เต็มเต็งผู้ต่อศาสนาง่าย ไอ้คำว่าไม่เต็มเต็งในที่นี้หมายควกดจะมีแค่ไหนทำไม่ได้ดัดแปล ง, งกฎของเขาจะบ้างบางทีกฎที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาแล้วถูกส่องก็แก้ไขดัดแปลงเทียถือว่าฉันนี่แหละดีกว่าพระพุทธเจนะ้าพระพุทธเจ้าละสูฉันไม่ได้ทรงมังยัดวิชาที่ล้าหลังใน่ทันสมัย มีคนเลเต็มเต็งสมัยนี้มีมากจนดัดแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แบบปฏิบัติง่ายๆธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรยากทำแบบสะบัดสะบายมีลาดับของการทมแต่เล่าคนได้ไม่เต็มเต็งหรือคนล้มเต็งแก้ไขทั้หมดแดความไม่เต็มบาตรอากากดแสดการล้นบาตรอกากดนที่สุดธรรมะที่ตน ร่างขึ้นมากดท้ที่ร่างขึ้นมาไอ้ตัวเองก็ไม่ได้บรรลุอะไรแต่จะบรรลุตามแบบตามแผนของตัวมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแม้แต่ที่ไปจุกกุยานเบื้องต่าก็ไม่ปรากฏอย่างนี้ก็คนไม่เต็มเต็มมันทำอย่างนี้มันจะได้ผลเต็มเต็มก้นมาได้อย่างไรเอาไม่ว่าเรยไปซะแลไมพูดเรงเต็มรไม่ว่ากันไปใหม ต่อไปจะเล่าให้ฟังนี่ฉันตายเมยื่ออายุสามขวบมาแล้วนะมีตอนนั้นฉันไม่รู้อยู่ิ น, นัยมีอะไรต่อมาจันกลายเป็นเด็กคนเป็นเด็กนักเรียนบ้างเป็นเด็กบางทีก็กลายเป็นนักเลงนักเลงออกจากโรงเรียนก็นไม่ได้ต้องเป็นนักเลงเป็นต้นไม้ในความเลงของฉันเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยฉันยุ่งกับต้นไม้ในสมัยเมื่เรียนหนังสือตอนโตแล้วนี่มีอาการแปลกอย่างหนี้ กัรธรรมดาเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเนี่ยเาเล่นกันไม่ได้ไอ้คนนั้นแปลกไ้เด็กผู้หญิงมันชอบมาเล่นด้วยทำไมไปเล่นกับมันมันก็มาดึงมั่งมาฉุดกาบมดึงขดึงขาไมไปมันก็ไมาตีก็ต้องไปเล่นกับเขาในตอนไปเล่นกับเขาใช้กงหมดทุกคนกงตาแบบผู้ชายกงผู้หญิงแต่ไม่มีใครงาก็แปลกอันนี้เราเล่นแปลก เราตายเปคนมีเมตตาในหมู่ของคณนะนะักเรียนศรีกันมันก็ไม่เป็นภัยเหมือนกันแต่ว่าเป็นภัยอย่างนั้นมันก็ไม่ไม่ถึงกับเป็นโทษแทังใครมาฟ้องว่าฉนไปโกงเด็กนักเรียนศรีผู้ไม่ไม่พิจารณาโทษแต่ท่านเห็นบางทีเขาไปนั่งอยู่ที่เฉยๆอ้าวพวกนี้่คนคนไปแล้วเดงแขนายดงแข น, แขนขวาคนนึ่งก็ถือไม้ตี ไมไปเร่งกับเขายเอาแต่ก็เกิดประโยชน์ดีฉันไปโรงเรียนไม่ต้องมีอะไรไปกินเรื่องนี้หาไปให้กินมีขนมนมเลยมีอะไรตอไก็หาไปคนเล็กกน้อยอันนี้เป็นเรองของเมตตาในหมู่สตรีี่เด็แั้งเดือนนี้ฉันจะทำอะไรส่ก็ต้องอาศัยสตรีเป็นผู้สนับสนุนใก่สร้างอะไรหมดที่เป็นมาแล้วมีผู้หญิงช่วยั้น <laughs> จากผู้ชายผู้ชายในในใ น, ใ น, น้อยเป็นที่เก็ดมากแต่พูดแต่ไม่พยายามทำแล้วไม่มา ข, าดขดัดคนะอแส้นเยอะแยะไปเรื่องของผู้ชายไม่เคยไม่เคยลงอารมณ์กัฉันหมายความว่าไม่ใชตรงกันแต่มีสตรีเป็นกาลังมาตั้งแต่สมัยตอนแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่เกิดไ้ายท้ายหลังไปตั้งเป็นแสนแสนชาติอย่าง้นเลยสตรีเป็นกําลังบางครั้งที่เจ้เกิดเป็นเกิดสั การแา่งวางแผงการลบก็เป็นเรื่องของสตรีนี่สนแสดงว่าฉันอาศัยผู้หญิงมาตั้งแต่ต้นกลับนู้นนี่เป็นอย่างเจทั้งบัดนี้จอทั้งจะเลิกเกิดอยู่แล้วแต่ก็ต้องอาศัยผู้หญิงเป็นกำลังก็งน่าแปลกเหมือนกันแต่ในพูดถีงว่าการความเป็นอยู่ต่อมาเมื่อฉันเกิดเป็นเด็กถึงอายุสิบเจ็ดปี ไ เ, เล่าถึงเรื่องตายก็จะเล่าตายมันมาเลยแต่ไก็ไอ้เรื่องที่กระยุ่งก็ยุงก็จะไม่เล่าให้ฟังลเมื่มออายุสิบเจ็ดปีฉันเกิดตายครั้งจะเกิดใหม่ตายครั้งห่ตอนตายคราวนี้ตายเพราะโรคอวีวาเอาแล้วไอโรคอวีวเนี่ยมันก็เป็นโรคทางลำไส้ทางกระเพาะฉะนั้นอวีว่าเนี่ยไอโรคฝูงนี่มันเล่นงานฉันบ่อยตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก ฉันเป็นป่วงทุกปีไปโรคทางกระเพาะอาหารสมัยโบราณเขาเรียกมัว่าโลกปล่วงมันมีอาการแบบขึ้ไอป่วงนียไม่มีอะไรหลักจำให้ดีคนไม่อยากจะเป็นโรคป่วงก็อย่าให้อาหารคั่งหมายความถ่ายอุจาระให้เป็นปกติในอุจาระมันไม่ปกติมันไม่ถ่ายเกิดท้องูก็หายยาถ่ายที่เบาๆถ่ายล่างท้องเสีย ทำอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นโลกในชิ้นจับสายได้ตั้งแต่อายุสิบ็ดปีฉันเลยไม่เป็นป่วงตลอดมาอายุบเจดปีตอนนั้นฉันลงไปอยู่กรุงเทพแล้วฉันอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุสิเมื่ออายุสิบเจดปีฉันขึ้นมาหาแม่ฉันที่จังหวัดสุพรรณท่านพ่อมาจับไล่จับนาเพราะท่านพ่อท่านเป็นคนจังหวัดสุพรรณ พันแม่เป็นคนจังหวัดธบุรีแต่เขาก็เรียกว่าโนสุพรรณาะรกอยู่สุพรรณก็เยอะอยู่ยะยาก็เยอะอยู่ธนบุรีไม่กี่คนแล้ว่ว่าแจะเคยไรับราชการนะจะก็จะอยู่ที่ธนบุรีไอ้คนที่ไม่ได้รับราชการสมัยนั้นยังหาที่มาเขาก็แสวงหาที่ดินกันเพท่านถือว่าการมีที <J> ่ดินเป็นของดี ฉะนั้นมือายุปีฉันมาเยท่านแม่ที่จังหวัดสุพรรณอ่งไปวิ่งมาตอนนั้นท่านพ่อก็มาอยู่คมาจับนาทางนี้ทางซาุทางอะไรเดิตงเดิมบางหาพื่นที่นาฉันบอกว่าไม่มีอะไรจะให้ลูกก็ต้องหาเพื่อนที่ดินไมากๆเพื่อเป็นการให้ลูกม่จะดที่ดินสหรับฉันนั้นไม่มีใครห่วงฉันบอกฉันไม่ทำนาฉันจะเรียนหนังสือ ทันย่าทันยายก็สนับสนุนว่าเด็กคนนี้จะให้มันทํางานหนักอย่างไงชาวบ้านไม่ได้ต้องให้หากินแบบเบาๆในกองแทนที่จะหากินแบบราชการกับเบาไปคนนั้นหากินอย่งางพระเลยไม่ต้อ ง, งมาหากินนะบินสบายกินสบายข้าวอยู่ที่เจ้บ้านผ้าผ่อนอยู่ที่เจ้บ้านยาละสาโน่อยู่ที่เจ้บ้านเครื่องใช้ไม้ตอนทุกอย่างอยู่ที่เจ้บ้านชาวบ้านเป็นคนหาให้นี่เบาหนักเว่าที่แรกเ ข, ขาหวังจะให้รับราชการ ที่ตอนนั้นปรากฏว่าเมื่อฉันไม่เยี่ยมท่านแม่เป็นเวลาที่โรคอหิวาเริ่มรำบัดโรคอหิวาสมัยนั้นเขาเรียกันว่าโรคหาลงคนแถวนั้นเขาเรียกป็นอย่างนั้นแต่เ้าไม่เรียกโรคหาเขาเรียกโรคอะเป็นอย่างนั้นเาถามว่าเป็นอะไรตายเ้าไม่กล้าออกคือเขาบอกเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นตายแต่เป็นอมรู้กันมีคนรณเาว่าอย่างนั้นถือมาก ที่ว่าไปเยกชื่เข้าแล้วก็เอออร์มจะมาเร่นงานเข้า แ, ลา ป, ลาาแปลกเมือนกันคนโบราณคนที่ว่าแปลกแต่ก็เป็นเรื่องของท่านนี่ไม่ใช่เรื่องันทีน่เราไปยุงง่งกัมันโลกมันเกิดนาฏกรรอย่างไรมันเอย่างนี้ท่านแรกมันจัดก่ก่อนมันดาไก่ทั้งหลายทเขาเลี้ยงเลี้ยงไว้ท่านพ่อที่เขเลี้ยงไก่ยเยอะ ท่นเลี้ยงไก่แลกินไก่นั้นถ้าจะมาฆ่ามาแกงก็ท่านไม่ได้ถ้าอยากกินท่านจะไปซื้อเช็คมาให้แต่มันไม่ตายเองแล้วมันมีทางจะไปกินเต้าท่าไม่ฆ่าแต่ว่ากินไก่บาปก็ไม่บาปตัวนู้นพระทบาปเหมือนกันตอนกลางคืนจะเห็นว่าไก่ไก่เป็นไงถ้างียวเงีตอนเย็นตอนคืนจะตายหมดทกคืนเลียงไก่หล่นปุบป่าปุบป่าฉันพะฉันแกงไก่ไม่หว ทั้บ้านไปว่าทั้งตำบลเนี่ยถ้าไม่มีใครอยากกินเนื้อไก่ตายแล้วไปฝังหต่อมาไอ้โอครคที่ไม่กินไก่ยอยู่กับกลิวันต่อมามันก็กินควายควายตายเกินไม่มีใครรักษาได้ยังหมอหลวงไม่ต้องพูดนั้นหมอหลวงไม่มีโปรนะอาไปหมอมันยังไม่เป็นสาวรณะอย่างนี้การสัญจรไปมาลาบากการคมนาคมไม่ดีรถยนต์ก็ไม่ค่อยจะมีะนานๆจะมีสักลำ ห ล, หลายเดือนที่เห็นระวินผ่านบ้านศรลมยังมีรู้สึกว่าเป็นการลําบากมากาโลกอะไรก็ต้องรักษาก็ตามลําพังควายตายแล้วประมาณสิบมันโล ก, กเรื่องจับคนคือตอนที่โลกจริงคนหรือ ว, ว่าโลกจริงไก่จริงควายเดลจะกระทั่งถึงจริงคนนี่มีอาการแปลกประหลาดอย่างหนึ่งคือทุกเดือนเวลาที่ต้องเห่าหอนอยเยอะเกินเอาแล้วก็หอน และวพอพวกเราเนะี่ยถ้าอยู่เงียบสงัดจะรู้สึกจะมีอาการเหมือนคนเดินผ่านหมู่บ้านเสียงพูดกันได้ยินเนี่ยนันไม่ใช่อุปาทานนฉันเองฉันก็ได้ยิน ไ, ได้ยินเหมือนกันแต่ฟังไม่รู้เรื่องผู้เดินผ่า น, านไปอหิวาตกะโรกเกิดขึ้นไม่กี่วันฉันก็เริ่มป่วยเป็นอหิวาตกะโรกตอนเช้าสายของวัน ท้องเดินถ่ายทิปกติเมื่อถ่ายครั้งแรกแล้วฉันก็มาบอกท่านแม่ว่าผมไม่สบายคับเป็นโรคถ่ายท้องท่านแม่ตกใจมากเขาใ้ลยาเท่าที่เพงมีให้กินมีโรคท้องเดินมันหยุดมันก็ไม่ึยุดใจทั้งแม่จะผลยาเสร็จฉันก็ถายอกครั้งกินยาเวลาฉันก็ถ่ายอีกครั้งรู้รสึกกำลังจะหมดเกิจะสิ้นแรงก็นอนท้องมันเจ็บไปหมด ผ้าเนี่ยนุ่งจะค่ายจุกขัดเล้วก็หมดผ้าไม่ได้ต่อผ้าถ้าวางไว้เฉยๆมันปวดแล้วเกินปวดมาถึงผนังท้องแม่กใ็ให้คนในบ้านในหมู่บ้านไปตามท่านลงที่เป็นหมอประจำตำบลท่านหลวงเป็นหมอมีชื่อเสียงมากท่านไม่เ ว, ว่างพอได้ินข่าวว่าฉันปวดฉันรีบมาทัานทีคนไข้คนอื่นมาตามท่านได้บอกเอาไว้ก่อนหลายก็าป่วยหนะัก มาถึงท่านก็ให้ยาบำรุงกำลังยาบำรุงหัวใจพอทีรู้สึกหัวใจหัวใจสดขึนท่านไปปรึกษากันสองคนที่จริงเน๊บฟึ๊บพอใดฉัม่ด้ยเพราะว่าในตอนเด็กๆัท่านลฉันจำความได้ที่ไม่ถอยลังไปถึงนิดท่านแม่ของฉันเป็นคนเคร่งครัดในการสวดมนต์ละตัท่านเป็น์วปานแมายนั้นหลวงพ่อปานเป็นจิตใจขาไม่ใช่คนเดียว ท่านต้องสอนลูกทุกคนว่าก่อนจะนอนต้องบูชาบพระพอจําความได้ท่านไหว้พระก็ต้องไหว้บ้างแล้วท่านไปนั่งใส่บาตก็ต้องไปนั่งพนมมืออยู่ที่หน้าท่าจนกว่าพระจะหมดแล้จะนอนก่อนจะหลับต้องภาวนาให้ท่านได้ยินที่ก่อนว่าพุตโธฟุตโธฟุตโธสองสามครั้งท่านก็นไม่วาให้ท่านได้ยินกันเลวกันเป็นใช้ได้ถ้าสองสามครั้งเราจะหลับเราก็หลับได้ นีเป so the the ็นจิตประจวันรนั้นในเวลาที่ฉันป่วยท่านแม่ท่านเชลัสถ้าไปเอาพระพุทธรูปองค์ที่ฉันรักที่สุดฉันชอบพระสีเหลืองเห็นเป็นพราะม่อก่อนที่ฉันยังมาเกิดฉันเป็นคนสีเหลืองนะเป็นลมของฉันต้องเหลืองเห็นอบมาแล้วขัดถ้าเป็นพระทองก็ต้องสดใสไม่งั้นถ้าไปฆ่าขัดก็ต้องขัดในสายฉันีพระของฉัอยู่ พแม่สร้างให้ไปขับทุกวันเป็นพรขัดขับทุกวันพอแม่บอกจะขัดไปทั้งไหนลูกบอกไม่ได้หมองวันเดียวก็หมองขับทุกวันฉังก็ดูฉันทุกวันเป็่อบีันแม่ต้องยึดท่านมเอาพ้าองค์นั้นมาตั้งให้ดูท่านก็บอกว่าตาจับไว้ที่รลูกใจจับไวภาวนาว่าพุทโธภาวนาอย่างนี้พระจะช่วยลูกไนอยฉันก็ ตามองยตามมองราภาวนาว่พ kind of ุทโธถ้ามตามันอยางหับจะก็ลับตาหลับตาภาวนาวพุทโธพุทธใจก็เห็นพระแจ่มใสเหลืองอร่มนักเข้านักเข้าพระกายคลายเบสีประกายทุชเกลต์สดทื่งามใหญ่โตบอกไม่โกอันนี้เป็นอาการของฌานเขาเรียกว่าธาเรียเป็นบันนิมิตเรียปฏิภาสนิมิตจิตใจไม่ง ใหความปวด่ข้ามาสบายหมดนกะารไม่มีความรู้สึกมารู้สึกเอาวิธีว่าฉันเย็นอยู่ข้างๆตัวฉันที่นอนอยู่เอาแล้วเิ่มตายแล้วฟัวดีนะอาการตายใหม่อีกแล้วแล้วเจ่างดตัวฉันแต่แงยังไงฉันก็แต่งอย่างนั้นก็มองไปว่าเ อ, าอ๊ะเรานอนอยู่นี่หว่าอันนี้นใส่เอานีา้ก็เราอันนี้มันยังไง แล้วไอ้ตัวนี้มันสบายกว่าตัวเก่าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่เสียหายมีร่างกายป่องใสร่างกายละผองใสกว่าเดิมสวยกด่าทงงามกว่าแต่ว่าเครื่องระดับประดายังไม่ปรากฏแต่เรื่นงเนื่อสายแล้วก็ไม่มีอาการอะไรที่จะเป็นทุกขเวทนาแม้แต่นิดมีความสดขก็ค คิดในใจว่าไอ้ตัวคนนั้นมันจะมันจะนอนก็ให้มันนอนไอ้เรานี่จะไม่นอนเลเยืนเล่นปากอากาศหลังบ้านสักหน่อยในบ้านสมุนไพรเต็มที่อากาศไม่ดีฉันเปติดอากาศสรอมันเด็กๆที่ตอนนี้ก็เหมือนกันมันไม่รงไม่รองต้องอยู่ที่ปรงองอหลังที่นั่งพอยู่เวลานี้ บางครั้งที่กลางวันนอนอยู่มันเอาอกาศผ่นไม่เคยได้มันเลยมูลวดตลอดหลังฉันสุดัก็ต้องไปนอนอยู่ที่หลังลโลกนอนพาสร้างให้ออกไปแล้วก็หายปวดหัวร่างกายทางฉันปวดหัวเหนื่อยตัวติดโรงมาติดมาตั้งแต่ตอนนู้นวันนี้เนื่อจะไปไหนตามธรรมดาแนวต้องบอกลาจะไม่คนถือระเบียบนยไม่ต้องเด็ก พาท่านแม่สั่งหรวผู้ใหญ่สั่งยังไงฉันต้องปฏิบัติตาม น, นั้นท่านแม่สั่งแล้วจะไปไหนก็ตามแม่แต่ใจลงไปกลางลูกก็ต้องบอกแม่ก่อนเพืแม่จะได้รู้ว่าลูกไปไหนี่นสอนมาตั้งแต่เล็กๆฉั น, นคระเบียบว่านแม่อฉันก็เป็นคนเจ้าระเบียบท่านพ่อท่านแม่เหมนกันทั้งก๊อกล้ว่าก็ยกเปล่าดีกว่า เราเขาเป็นคนเจ้าระเบียบใครลงทำผิดอย่างก็ต้องมาสารภาพผิดกันไม่เหเลยคิดในใจว่าจะต้องไปอยู่หลังบ้านไปเบล์ตาอากาศให้สบายก็ไปลาท่านแม่ไปยกมือไหว้ท่านท่านไม่มองหน้าเรียกท่านท่านก็ไม่พูดด้วยจับท่านท่านก็ไม่ย่อมเหลวมาบอกท่านทลายทลายท่านก็ไม่พูดวต่ก็คิดคิดคิดก็ท่าลงท่านมองฉันมองไอ้ตัวนอนไม่จะมองฉันมองไอ้ตัวนอน มองน้ำตาคลอไม่เล็ะไม่ใจเลยท่านแม่นลยทีจะร้องไห้ทำไม้าไมเคยร้องไห้ปรากฏรู้น้ตาท่านรอหน่อยก็รู้สึกว่าท่านจะร้องไห้ท่านลุงก็กล่าวว่าจาปลอบโยนอะไรจะอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็มองไปที่ไอ้คนนอนไอ้ที่านันทำไม่มีใครก็ามามองเวลาท่านมไม่พูดโลาท่านลุงท่านลีงก็ไม่พูดด้วยกวามตาท่านลุงรักท่านมาก โปรดปรานฉันมากเพระ เ, เรียนหนังสือเก่งแต่ลงไปนคนสนับหนุนในการศึกษามากเป็นเก่ยวกัการเรียนแล้วไม่ได้การเรียนเอาเป็นเอาตายทีเดียวท่านต้องการให้ฉันเป็นหมออย่างทันท่านเป็นหมอสองอย่างเป็นหมอทั้งแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบันไม่บอกการเป็นหมอเป็นการทรงเคาะคนทั้งโลกถ้ารักษาโรคก็บเขาทําไมรวยและรวยฉันหมอไม่รวยเคาให้ก็เอามาให้ก็ไม่ได้ วั<ค> น, นีตปีปีหนึ่งท่านก็ต้องลงทุนยาไปสาธรณ์มากโเฉพาบา้านี่เขาาเห็นใจปีหนึ่งท่านต้องไหว้ครูครั้งหนึ่งตอนไหวู้พอจะได้นมาบาม้างนี่ท่านเป็นหมอสาธรณนะเป็นหมอสงเคราะห์จริงๆไม่ใช่หมอตั้งตัวแตาลงม่หรืเอจะไปเดินไปลาคนที่เขานั่งไกลๆม ค, นะคนเยอะคนหม่มานั่งเต็มหมดคนรบหมูอ่อื่นก็นมาเย่ยท่านท่านป่วย คามจรงเ น, เนี่ยขาไม่ไรักฉันแล้านเนี่ยเขารักแม่เพราะท่านแม่เป็นคน เ, เป็นที่พึ่งของเขาใครๆเขาเรียกพี่กันนะแต่คนอายุอ่อนกว่าน่อยเขาเรียกป้าไปเลยเร็กกพ่อเรียกแม่เรียกพี่เรียกป้าเขาเร็ยกแต่ันานเพราะว่าท่านเป็นตุ๊กติกัเป็นผู้ใหญ่คนในตำบลจริงๆเขารับมาผือดันมากท่านพูดอะไรแล้วต้องเป็นอย่างนั้น เลาไครเขาไม่อนุญาตเึงก็บอกนึกในใจบอกดีละอยากไม่กลัวกับเรานี่ยเราลาแล้วถือว่ารลาแล้วตามระเบียบเราจะไปข้างหลังเจงก็เดินลงบันไดแล้วก็ไปยืิงที่หลังบ้านอย่าจำเลยนะว่าไอ้คนที่มันตายแล้วมันไม่รู้ตัวว่ามันตายรอกมันเหมือนจะเดินออกจากบ้านมีเล่าถึงความตายให้ฟังจะได้ไม่หวั่นไหวไม่ต้องไปกลัวเมื่อตายนี่ยมัน ไอ้ตายไนใครมันตายไอ้ขันห้าตัวนี้เนี่ยมันตายไอ้ร่างที่มันสงอยู่ในร่างข้างในเนี่ยมันไม่ตายมันต้องต้องเที่ยวไปรับตนของกรรมเอาละมันก็จะเตะอีแล้วเอาหันเข้มาพูดใหม่ฉัไปยืนหลังบ้านรู้สึกเย็นสบายมองไปในทางดังด้านทิศใต้เห็นคนเดินมาเป็นแถวยาวหยับตนั่งจำนวนคนจนร้อย คนนำหน้าสูงใหญ่ผิวดำเขวันขีดปิดกระบองในตาแดงเจกาชาวบ้านที่เดินตามรู้สึกว่หัวจะแค่เอวสูงกว่าเขาเขานิดหน่อยเขาสูงใหญ่มากสองข้างของแถวนั้นมีคนขนาบมาอีกสองข้างแล้วตอนท้ายสุดมีคนคุมอีกคนหนึล่างใหญ่โตเหมือนกัน มเมเดินผ่านมาถึงหลังบ้านฉั น, ฉนก็ อ, อกไปสกัดหน้าอตอนนั้นสมัยนั้นไม่มีหนังนนงที่ะมาใช้หนังือหนังญี่ปุ่นภปยนต์นานจะมีคี้มั น, ก, นก็ไม่ดมัตามาหมวกปิดไมรยัมน เ, นเรื่องอะไรก็ไม่รู้วอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็หาแกมาเลตงตุ้ ง, งตัง ต, งตุ้งตังตุ้งตังไปจำเรื่องเีงากฟังแกแกวง น, ะกก น, น, น, นี่สมัยนั้นด่เจนายังมงนเจะดูได้ก็ต้องไปงานวัดไอ ง, งานสาปรณะเขาขายหนังให้ดูฟรีมีกเจให้ดู ฟ, ฟ, ฟ, ฟรีแล้วจะมียกใส่บ้านหายากบันนอกสมัยนั้นไม่มีเมื่อ เ, เขาเดินผ่านมาถึงหลังบ้านฉันออกไปสุกายกยกมือไหว้ตามทำเลของฉันไอมือฉันมันชอบไหว้คนชอบมานานแล้วแต่ว่าต้องเป็นคนที่ป็นควรไหว้ เราทำอะไรเสียนิดเดียวชาติเ น, นั้นทั้งชาตไม่มีทางไหวกันแล้วเลิกคนเลวไม่ไหวไวแต่คนดีคนที่แข่งเขารับวถือต้องวางตัวให้หเหมาะสมยไม้นฉันดูถูกเนาปหามันเล ว, วฉันเนี่ยสมัยที่เป็นเด็กฉักนมีมาหนาะ ท, ที่มาอาจจะเป็นขัติยะ ม, มานะเดิมก็ได้จะไปพูดมันขัติยะ ม, มานะไปกินเดีกว่า คนไหนที่ทำให้ฉันชอบใจฉันถวายหัวเอาอะไรก็ได้ถ้าลงเกียดก็ไม่มีทางจะโกรธจะจองล้างจองสาเลยนี่ทาคนดีมื่อไรไม่ดีตามหลักองพระนะ่ไมดีพรองประกาศเป็นัตรูแลนั่นหมายความว่าไปแล้วไอหมอ น, นันไม่ช้าแล้วไม่ไหนดชในวั น, ปนไปหลายร อันนี้แค่เพียงไม่ใชอยากกระทาตนไม่กับตาาัวพอกระทำจริงใจไม่ว่าจะกูเห็นกเห็นตัวคูเห็นญาติกูเห็นเพื่อนคูเห็นสตรีที่ไม่มีทางสู้ให้อภัยไม่ได้เสมอคนประเภทนั้นพอรู้ตัวแน่นอนแล้วหมายความมาฝ่ายแน่ไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้ก็เขาหามไปวัดฝังมั่งเผามั่งเอาซะหลายราย เนี่ยอย่างนี้ไม่ดีอะจำฟังก็ฟังอย่าปฏิบัติตามมันจะเรื่องของจีนเลยไอ้ที่จะเล่าฟังก็จะได้รู้ว่าไอ้ฉันนั้นมันเป็นคนดีคนดรเลวมาเยอตอนนี้น่ยเลวขึ้นมากแล้วก็ยังมีเลวติดติดขึ้มากอีกมากมันยังไม่หมดเลวจนกว่าจะสินลมปราณไฉันยังไม่สินลมปราณเพียงใดแก็เป็นคนไม่หมดเลว เขาขึ้นลมปรานเมื่อไรแล้วนั่นแหละชาวบ้านเขาให้อภัยใจะละหมดเร็วได้ระหว่างนี้ยังเร็วมากเมืนถามเขาแล้วฉันยกมือไหว้กระถามว่าคุณลุงคุณรับลุงฉันมองดูหน้าดูแกกับพอ่อฉนหน่อยาทางเขาใหญ่โตเลี้ยงจะไปเที่ยวดูงานวัดไหนครับคุณลงุงเคยหยดุดแล้วก็แกไม่โผดแล้วก็มองหน้าเปงป่งเปดไอ้ชันี ส, ส, นสมุด่อยอะไรอย่งเ้ยเลล็ อดพักเด็กเขาบอกว่า้ไม่มีขีทชีจะไปกับลุงไม่ได้าเอาเขานั่นอะไรเอ๊ะนเป็นงไงจะไปดูหนังไม่ด้เกณต้องมีีกันเลยนัใจบอกไม่ได้ครับลุงครับเรื่องจะไปดูงานวันไหนผมจะไปด่วนที่บอกจะไปเลยหนูหนูไม่มีขี้ทำบัชีไม่ได้ไปดูงานแล้วไม่ได้ไปดูงานวัด แกก็ไม่บอกอเราไม่เป็นคนสงสยัยเลทำอะไรไม่ต้องทำให้ได้ไอันนี้สายอย่างนี้มันมีมาแล้วไอมุกมา น, านั่นแกก็ลินหลังให้เข้าบ้านบอไอหนูเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวแม่จะคอยหนูจะไปกับลุงเลยแม่จะเป็นห่วงเข้าบ้านเลยแม่จจแติยดายาดีแล้วก็ยกมือไหว้ทนกระนังตาของคนรักปลาในใจในกบเดียวะตไปไหนแต่ราาจะต้องตามไปดูแกใได้น้อยไหม จะสายไปด้วยละไม่ไปกบให้เข้าบานันใจก็ออกเดินแถวเดียงหนึ่งไปพอมาถึงคนขนับข้างตรงกลางกลางก็ย <ส sozusagen S 1> ่องไปดักเขาเขาก็ว่ายัง <dedans> งั้นนะก็รุนกลับในขณะยืในคอยคอยไปถึงคนสุดท้ายเดี๋ยวเขาพูดทั้งคนที่เดินผ่านสาทั้งนั้นธรรมดาไม่ธรรมดาที่เดินผ่านฉนไปฉันจําได้หลายสิบคนไมเป็นคนที่ฉันเคยเห็นหน้าแล้วเขาก็เป็นโรคอหวิวาตตายเมื่อไม่กี่วันนี้ กันทักเขาเ็ไม่พูดแล้วเขมอเฉยๆแล้วก็ไม่ใจใจว่าพู้นี้มันตายแล้วนี่ยมันเดินไปอยู่ทำไมเ้าเอาเขานั่นไอ้ตัวเองตายแล้วยังไม่รู้ว่าตายเนี่ยจำให้ดีนะไอ้คนที่มันตายใหม่ๆเนี่ยมันไม่รู้ตัวว่าตายมันไม่มีอยกตายเจ็บปวดมันเดินไปเฉยๆมันก็ไปเที่ยวฉะนั้นคนที่เขาตายตายตกันเนี่ยห่วงขาเลมันไม่มีอะไรสาคัญมันเป็นเรื่องธรรมดามันไปหาที่อยู่ใหม่ ใคาทำบาปก็ไปอยู่ในเมือนรกตามสบายใจถ้าชอบใจชอบใจนรกก็ลงนรกไปอบใจเป็นเจก็ไปเกิดเป็นเจกอบใจเป็นผีชอบเสือกายก็เป็นเป็นผีชสือกายไปชอบใจเป็นสัตว์เป็นสังก็ไปเกิดเป็นสัตังถ้าชอบเป็นมนุษย์าก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ชอบเป็นเทวดาก็เกิดเป็นเทวดาชอบเป็นปวงกุเกิดเป็รปวงชอบปนิพันเขาก็ปนิพันไปตามใจชอบ ให้คำว่าใจชอบจะไม่เคยปากอบใจชอบแล้วก็ไอ้ร่างกายแล้วาจามาปฏิบัติตามใจไอ้คนที่บอกเขามีศีลมีธรรมแต่ไม่ปฏิบัติในศีลในธรรมมันไอ้นใจมันไม่ได้ชอบแต่ปากมันชอบปากมันเ็วมันไม่ปฏิบัติตามใจคำสั่งของใจคำสั่งของใจแค่น้็คนปากยำคนปากประเภทนี้เขาเสียคนเียเลาคบไม่คุ้บ แต่ว่าถ้าเจ็กเข้าก็ประยะพระเยสไปแกย่ยาแสดงการลังเกียแตอนนี้อีที่ตอนที่อีกาสคนจะพาคนจั้ง2า0ร้อคนปานหน้าไปแล้วก็ปล่อยแกไปประมาณสักหนึ่กิโลแหมอาราหมุมานะของฉันมันมีอยู่แล้วฉันก็ย่องตามกันไปห่างๆคิดว่ า, าอีตามพวกนี้จะไปดูว่างานวัดที่ไหน ดีแล้วไม่ใหเราไปเราต้องไปดูให้ได้เดินตามกันไปฉันจาได้ว่าเดินออกไปทางทิศเหนือก่อนไปทางทิศเหนือนี่ทางทิศเท้าไปวรตอนนั้นฉันไม่รู้นะเทาไปสู่รงสุวรรฉันไม่รู้เดินไปตามทางทิศเหนือเมไปทางทิศเหนือแล้วไม่ทา ก็พ้นทุ่งเข้าป่าระเมาเป็นป่าไผ่เล็กมีทางเดินเฉพาะรู้สึกวเป็นป่าเป็นเป็นก็ไผ่ก็ตอก้นต้นให่โตนประมาณวันเ็นได้องาวเเ่เป็นทางเฉพาะก็เดินสะกดรอยตามไปแล้วก็ไปขึ้นภูเขาเล็กๆแล้วก็ลงจากภูเขาแล้วก็มีทางเดินไปแล้วก็ขึ้นภูเขาภูเขานั้นสูงเป็นระยะระยะระยะระยะ ขึ้ภูเขาแล้วก็ลงผ่านภูเขาไปทางโน้นแล้วก็ลงไันี่ผนที่สุดท้ายตายมือมาพบภูเขาลูกหนึ่งย่อหยดมองสุดตาเขายังไม่ถึงที่สุดของของเขาสูงมากหัวหน้าใหญ่เขาเดินขึ้นไปบนสันเขาคนเตามไปเขาเป็นทีนับหนึองสามถึงสองสาคนเกิดตามไม่้าบอกครบ ตเป็นทีฉันก็พอหัวเ้าไปก็ดีบอกเอ้าไอ้หน ม, มาไงก็แล้วบอกว่าผมก็ตามลงมาสิดครับแต่ผมไม่รู้ลงจะไปวัดไหนแคเจะบอกก็แค่เราะไอ้หนูงไม่ได้จะดูงานวัดหรอกโน่คนเขาเดินไปกันเป็นแถวเลยไหมมองไปต้องฟากน่นของเขาที่ก็มองจอไปโอ้โหมันเป็นสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลมานกะ กว้างกว่าโลกนี้มากมองดูในโลกมนุษย์ที่ผ่านไปมันเล็กนิดเดียวในตัวเลยมองโลกของเรานี่ทั้งโลกเล็กนิดเดียวไอ้โลกนันไม่กว้างใหญ่ไพศาลบอกไม่ถูกนับประมาณไม่ได้เยคนเยอะอยู่นับจำนวนหมืนม่นแต่ไม่ใช่จำนวนร้อยที่ปเป็นร้อยจะมามองไปทางขอโทษเดี๋ยวจ ะ, จะพูดให้ฟัง เอาตั้งใจฟังแั่ยังจะบอกทิศทางไหเราหันหน้าไปทางทิศนั้นออกออหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็พังแบ่งครึ่งของเพื่อนที่หมายความท่าทเดียน์แต่เห็นจุดเดียวนะสูนกลางเป็นอาคารสามหลังคล้ายศาลาวัดผาดซ้ายเป็นที่ราบเรียบไม่มีอันตรายคนไปชมกัประมาณหลายหนึ่ง บอกไม่ถูกเล้วคนน้นมึนแ่ <c oughs> นแ่นหมดในบริเวณนั้นก็มีชายมีร่างกายทำยำล่ำสันถือห อ, อกมังถือ ม, มีอะไรมี่สุด้ายมีจ็บมีด้ามยาวๆีเจ๊กเกกข้บกันบั้งสามงามบางกระบองบางเดินดตรดจค่ๆเป็นำปตำรวจตรวจโตมาตาน้านคูณแล้วก็ย่อยใหโตมากม่ตั้ง เป็นอาคารสามหลังทซ้ายสาราวัดแถบซ้ายเป็นที่ราบเรีไม่มีอันตรายคนไปจุมก็ประมาณหลายมบอกไม่ถูกแล้วกันนนท์หมื่นแน่นแน่นหมดในบริเวณนั้นก็มีชายทุมีร่างกายสัมยำล่าสัมถืหอกมงถืออีกมีอไมีอะไรมเจ็บมด้านยาวยาวเจอกลรกกันั้งสงามบางกระบอกบาง เดินตรวจค่อยเป็นตำรวจตรดจปหนหน้าตาหน้าสูน้องคนย่อยใจโตมาห